เรื่องพระฉับ พ, พัีสงน้ำขัดสีกายกับเสาสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พัีสงน้ำขัดสีกายคือขาบ้างแขนบ้างอกบ้างหลังบ้างกับเสาคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพรทนาว่าฉไน พวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงสงน้ำขัดสีกายคือขาบ้างแขนบ้างอกบ้างหลังบ้างกับเสาเหมือนพวกนักมวยปล้ำเหมือนพวกลูกหลานชาวบ้านเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอาย